ปัญญุโลมปัจจนียเหตุสภาคณิยะแปดสิบปดณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ นอาสวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณอาหาระปัจจัยมีสามวาระนอินทรียะปัจจัยมีสามวาระนาชานะปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สามัญญาขะตนาแปดสณอารมณะปัจจัยกับปัจใจเจ็ดคยเหตุสหาชาตะอัญญามัญญานิสยาสามปยุตตะหัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระพึงนับเหมือนการนับจํานวน อ, นอนุลมณปัจจญยะแห่งกุศลติกะที่ท่านได้นับไว้ตามแนวแห่งการสาธยาย นัเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีแปดวาระนัอารมณปัจจใจละถึงมีแปดวาระโนอวิคตาปัจจัยมีแปดวาระยอ่อการนับอนุโลมปัจจนียะจบสปัจจยะปั จ, จนียานุโลมนัเหตุทุกขในเก้าสิบอารมณะปัจใจกับนั่นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปฏิปัจจัยละถึงมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาติปัจจัยละถึงมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีแปดวาระ วิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเตตกะใน ณอธิปฏิปัจจ no ัยกับนเหตุป an ัจจัยและณอารมณปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระฉากะไนสหชาตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณะปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตระปัจจัยและณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ นิยจยปัจจัยกับมี ا, บสามวาระอุปานิจยปัจจัยกับมีเก้าวาระกรรมปัจจัยกับมีแปดวาระวิปากปัจจัยกับมีสามวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนวะกะไนอุปานิจยปัจจัยกับนเหตตปัจจใจณอารมณะปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลและนานิสิยปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยกับ มีแปดวาระจตุวีสกะในสาวุปนิสยะกรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจใจนาอารมณปัจจัยละถึงนอุปนิสยปัจใจนาปุเรชาตปัจใจนาปัจชาชาตปัจจัยนอเสวณปัจใจนาวิปากะปัจใจนาอาหาระปัจจัยนอินทริยะปัจจัยนาชานะปัจจัยนมขละปัจจัย ณสัมปยุตตปัจจใจณวิปยุตตะปัจจัยโนอธิปัจจัยโนนธิปัจจัยโนวิคตะปัจจัยและโนอวิคตะปัจจัยมีแปดวาระจตุวิสกะในาสักกัมมะอุปานิสิยาปัจจัยกับนเหตุปัจจใจณอารมณะปัจจัยละถึงณ น, นิสิยปัจจใจณปูเรชาตะปัจจใจณปัชชาชาตะปัจจัย นอาเสวนปัจใจนากรรมะปะัจจัยละถึงโนวิคตะปัจจัยและโนอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระนาเหตุโมลกะในจบนอารามณะทุกระในเก้าสิบเอดเหตุปัจจัยกับนอารามณะปัจจัยมีสามวาระกรรมะปัจจัยละถึงมีแปดวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระโนอวิคตะทุกระใน เก้ารามะนปัจจัยกับโนอวิคตตปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยาปัจจัยมี9้าวาระอเจวะณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีแปดวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตตปัจจัยมีเจดวาระ จตุกนัยอนันตระปัจจัยกับโนอวิคตาปัจจัยนัเหตุปัจจัยและนัอารมณปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระอุปานิสยปัจจัยกับมี9วาระอเสวนปัจจัยกับมีสมวาระกามปัจจัยกับมี8ดวาระนถิปัจจัยกับมีเจดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระ เจตุวีตกะในสาุปนิจยะกรรมปัจจัยกลับโนอวิคตาปัจจัยน่เหตุปัจจัยนอารมณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนัตระปัจจัยนสมนัจระปัจจัยนสหชาตตปัจจัยนอญญมัญญาปัจจัยนนิสยปัจจัยนอุปนิสยปัจจัยน่ปุเรชาตตปัจจัยนปัจฉาชาตตปัจจัย ณอาเสวนปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหาระปัจจัยณอินทริยะปัจจัยนชานะปัจจัยนมคราปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนอธิปัจจัยโนนธิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมีแปดวาระจตุวิสกะในสักกมมะ อุปาณิยัตปัจจัยกัมโนอวิคตะปัจจัยนเหตุปัจจัยและถึงนนิสิยปัจจัยนัปุเรชาตะปัจจัยนกักรร ม, มปัจจัยโนวิคตะปัจจัยเมฆ้าวาระพึงนับเวทนาติกะนี้เหมือนการนับจานวนปัจจนานุโลมแห่งกุศลติกะที่ได้นับไว้แล้วตามแนวทางแห่งการสาธยายปัจจนานุโลมจบ เวทนาติดกะจบสวิปากติดกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นว hey. well, ิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุ ต, ตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตั้ตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นภาทายวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้น ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึข้นขันสองและกระตาตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. น 2. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นมหาภูทรูป 3, าสาอาศัยมหาภูทรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูทรูปสองอาศัยมหาภูทรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุ ป, ปาทัยรูปอาศัยมหาภูทรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้น กระตัดตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสี่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหาทายวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหาทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูธรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัย 6. สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัย ส, สภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอารมณ yeah, ปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์ ส, สองเกิดขึ้น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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที er. ่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอารถมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอารถมณปัจจัยได้แก่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 อธิปติปัจจัยสิสภาวธรรมที่เป <ทำ S 1> um ็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นและถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสามวาระอสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาโพธิโรขเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบาก อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาโพธิรูปเกิดขึ้นอานันตระปัจจัยเป็นต้นสิบสาสภาวะธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยสหชาติปัจจัยเหมือนกับเหตุปัจจัยทั้งหมดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน ส, States, สำหรับเหล่าอาศัยสัตยพรมสหชาติป th ัจจ SO e. ัยมีข้อต่างกันเท่านี้อัญญมัญญะปัจจัยสิบสสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้น ขัน e. สองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไ si ม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตุอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญปัจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฐานที่มีอุตตุเป็นสมุฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตพรมมหภูตรูปหนึ่ง สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากอาศัยหทัยวัตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหทายวถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหทายวถุเกิดขึ้นนิสยปัจจัยเป็นต้นสิบหกสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนิสยปัจจัยย่อเพราะอุปณิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตะปัจจัยอาเัยวนาปจัยสิบเจ็ด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 ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นกรมมปัจจัยและวิบาสกับปัจจัยสิบปดสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะกรรมมปัจจัยย่อเพราะวิบาสกับปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากระปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละถึงจิตตสมุทานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากระปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันที cook, <trans> ่เป็นวิบากอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากกระปัตใจได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยมหาโพติลูกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบาก และที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปาสกับปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากละถึงเกิดขึ้นเพราะวิปาสกับปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากละถึงเกิดขึ้นเพราะวิปาสกับปัจจัยอาหารัตปัจจัยเป็นต้นสิบเกสภาวะธรรมที่เป็นวิบาก อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิปากเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยย่อเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนัติปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย เยานุลมสองสังคยาวาระสุทไนยี่สิเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรามะนะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตตาปัจจัยมีสิบสามวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิบาวาระ อุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสิบสามวาระวิปากปัจจัยมีข้าวาระอหารปัจจัยมีสิบสามวาระอินทริยปัจจัยมีสิบสามวาระชาณะปัจจัยมีสิบสามวาระมัคคะปัจจัยมีสิบสามวาระสมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ วิปยุตตปัจจัยมีสิบสามวาระอาธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระเฮตุทุกขในยี่สิบเอ็ดอารมณปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีส3บสามวาระพึงนับเหมือนการ น, นับกุชละเต ก, กะ อาเสวณัตุกัณไนยี่สิบสองเหตุปัจจัยกับอาเสวณัปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระ อุปนิสยาปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระมหาระปัจจัยมีสองวาระอินทริยะปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสำปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัธิปัจจัยมีสองวาระ วิคตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระวิปากทุกภัยในยี่สิบสามเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระ อัญญมัญญะปัจใจมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระอหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทริยปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมขะปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตาปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตปั จ, จัจมีเก้าวาระอธิปั จ, จัจมีเก้าวาระนาถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระยอ่อการนับอนุโลมจบสองปัจยะปัจจนยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นวิบาก อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นภาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดข eras, hm. ึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและ 0, จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ 1, ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสามและกะตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองและกตัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 25. สภาวะธรรมที oh cela, er ่เป็นเหตุให้เ <services> กิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนันเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุททะจะอาศัยขันธ์ที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุททะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุกะซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น ทิฏฐสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตยพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบาก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 ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันที่เป็นวิบากอาศัยหทัยวัตุเกิดขึ้นกระตารูปอาศัยมหาภูรตรูปเกิดขึ้นยี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุที้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบาก และหาทัยวัตุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหาทายวัตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นวิบากและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้น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 และหาทายวัตุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหาทายวัตุเกิดขึ้นกระตัตรารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตารูปเกิดขึ้นนาอารมณปัจจัยี่สิบเสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนาอารมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้น28สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นยีสิบเสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหต um ุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและถึงจิตตสมุทฐานรูปและกตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอสัญญาสัตวพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 30. สาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิปาก ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนาอารมณะปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นส1สอสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและไม่เป็นวิปาา ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณอารมณะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัยสาสองสภาวะธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยย่อณอธิปติปัจจัยเหมือนกับสหชาตปัจจัยที่เป็นฝ่ายอนุโลม ณอนันตรปัจจัยเป็นต้นสาสิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมันันตระปัจจัยเพราะณอัญญามัญญปัจจั ย, ย, ย, จจยและถึงจิตตะส ม, มุฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นส ม, มุทฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเราอาศรยสัตยพรมประตัดตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตโรูปเกิดขึ้นนี้เป็นความต่างกันเพราะนะอัญญมัญญะปัดใจเพราะนะอุปานิสยะปัดใจยอ่อ บุเรชาตปัจจัย ส, ut, สามสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนาุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะย่อสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตารูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขันสองและกตัดตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบา ก, ากอาศัา 3, าสายสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นสาสหสภาวธรร ม, ม ท, ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สาม อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรม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 เกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัตจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากอาศัายหทัยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสามสภาวะธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัตจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบาก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 อาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูติรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณภูเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหทายวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหทายวัตถุเกิดขึ้น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 สาสิบแปสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาติปัจปจัยเพราะนอาศัณณปัจจัยย่อนกรรมปัจจัยมสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเห ต, เเหตุให้เกิดวิบากอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาัยสภาวะธรรมที่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอายขันที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสาม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 ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขั น, ขนอาสองเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาจารย์ยศตะพรมมหาภูตรูปาสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้น กระตัดตารูปที่เป็นอ e. ุปาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ atten, ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากและที่ม ไ, ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะนวิปากระปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นนวอาหาระปัจใจสี่สิบสอง สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะหน้าอาหารปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอู่ตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตย์พรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูป อ, อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น นาอินทริยประปัจใจสี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนาอินทริยปัจจัยได้แก่ละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตโตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสำหรับเหล่าอสัญยาสัตย์พรม รูปะชีวิตตินซีอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นนาชานปัจใจสี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็ earth, นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนาชานปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณชานะปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตรพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งณมคัคคะปัจจัยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบาาเกิดขึ้นเพราะณมคัคคปัจจัยได้แก่และถึง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 และที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนามขัปปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหาทายวัตถุมีสามวาระหน้าสัมยุตตะปัจัจสี่สิบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะหน้าสัมยุตตะปัจัยมีสองวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะน้สัมปญสตปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีหนึ่งวาระหน้าวิปยุตตปัจใจสี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะหน้าวิปยุตตปัจจัยได้แก่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 สำหรับเราอสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตาตารูปที่เป็นออ ป, ปาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโนนติปัจจัยและโนวิคตาปัจใจสี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยยอ่อ สปัจจยปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทไนสี่สิบเก้าณเฮตุปัจจัยมีสิบวาระณอรมะณปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบสาวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีสิบสองวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบสามวาระณอเสวณหปัจจัยมีสิบสามวาระณกรมมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาะปัจจัยมีสองวาระนมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระ นวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีหวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระนัเหตุทุกขกในห้าสิบนัอารมณปัจจัยกับนัหนนนรรเหตุปัจจัยมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบวาระนัอนันตระปัจจัยกับนัเฮตุปัจจัยมีสามวาระนัสมนันตระปัจจัยละถึงมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสวาระนอุปนิสยปัจจัยมีสวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมี10บวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมี10บวาระนอาศวณัจจัยมี10บวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปาจัยมีสองวาระ ณมคราปัจจัยมี9้าวาระณนะสัมปยุตตะปจจัยมีา ส, สามวาระณวิปยุตตะปจจัยมีสองวาระโนนาธิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปจจัยมีสามวาระเตะกไนณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปจจัยละถึงมีสามวาระณสมนันตระปจัยมีสามวาระ นกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีสวาระนสามยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีสมวาระ โนวิคตะปัจใจมีสามวาระย่อณเหตุมูลกะในจบแม้ในวิปากะต็กะนี้ก็พึงนับเหมือนที่นับไว้แล้วในภุสละต็กะตามแนวแห่งการสาธยายปั จ, จนิยะจบสปัจญานุโลมปั จ, จนิยะเหตุทุกขในห้าสิบเอ็ดณอารมณปัจใจกับเพตุปัจใจมีห้าวาระ ณอธิปติปัจใจและถึงมี13าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสิองวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมี13าวาระณอเซวณปัจจัยมี13าวาระณกรรมปัจจัยมีสองวาระ นวิปากะปัจจัยมี se, ห <opoly>. ้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัธิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเต็กกะในนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอรมณปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยละถึงมีห้าวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมีห้าวาระ นอาศวณะปัจใจมีห <convert to Christians> ้าวาระนกรรมะปัจใจมีสองวาระนวิปากะปัจใจมีสองวาระนวิปยุตตะปัจใจมีสามวาระจะตุกนในนปูเรชาตะปัจใจกับเภโทปัจใจอารามณะปัจใจและอธิปฏิปัจใจมีสามวาระนปัจชาชาตะปัจใจกลับละถึงมีสามวาระนาอเสวณะปัจใจกลับมีสามวาระ นักรรมะปัจจัยกับมีสองวาระนักวิปากปัจจัยกับมีสองวาระนักวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระนวักกะในนักปัจฉาชาตะปัจจัยกะเพตุปัจจัยอารามณะปัจจัยอธิปฏิปัจจัยอันันตระปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลและปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนักอเซวณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ นกรมะปัจจัยกับมีสองวาระนวิปากับปัจจัยกับมีสองวาระยอ่อพึ่งนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนิยะในกุศละเตกะอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจจยปัจจนิยานุโลมนเหตุทุกขในห้าบสองรามะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อนันตระปัจจัยและถึงมีห้าวาระสมานันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาติตัปัจจัยมีสิบวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิบวาระอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาติตัปัจจัยมีสามวาระอาเสวชนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสิบวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ อาหารปัจจัยมีสิบวาระเอินตริยะปัจจัยมีสิบวาระชานะปัจจัยมีสิบวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสิบวาระอัติปัจจัยมีสิบวาระนัธถิปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระเต็กกะไน สหชาติปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนัอารรมณปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยละถึงมีสองวาระนิสยปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนัอารรมณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยละถึงมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสัตตะกนัยสหชาตาปัจจัยกับนัเหตตปัจใจนัอารมณปัจใจนัอธิปติปัจใจนัอนันตระปัจใจนัสมนันตระปัจจัยและนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ กรมะปัจจัยกับมีสามวาระวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระอหาระปัจจัยกับมีสามวาระอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระชาณะปัจจัยกับมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีสามวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระพึงนับเหมือนในเหตุมูลกะในในขุศละเถกะ ข้อความนี้พึงให้พิจารณาเหมือนปั จ, จิญานุโลมในขุสละตสกะปัจจิญานุโลมจบปฏิจจวาระจบ